เออมีคอร์สเด็กนะคืองานมันขยายเร็วคนที่มีความสามารถนะช่วยกันทำงานในองค์รวมของศาสนา ม, นมันดีคือเราอย่านึกว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมั่นคงที่จริงรอแร่เต็มทีแล้ว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 ตอนบวชใหม่ๆตอนเป็นนักศึกษาหลงวงพ่อไปบินทบาทพาไปหลุดกลางตลาดพระห่มออยังไงพระหมกลับวัดไม่ถูกนะเก่งๆจาง ก, กา <c oughs> บวชนิดนี้หน่อยๆนะแค่ข้อวัดของพระก็ได้เรียนไม่ได้หมดหรอกนี่เราอย่าหวังเอาศาสนาไปฝากไว้กับพระฝากไว้กับคนอื่นยากแล้ว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 แทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะกลับไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาไปอย่างนั้นไปมียุคหนึ่งนะมีาศาสนาหนึ่งเขาปลอมปนคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอนิจจังทุกขังอนัตตานะเขาสอนเลยาศาสนาเขาเหนือกว่ า, าศาสนาเขานิจจังสุ ข, ขังอัตตา <c oughs> <c oughs> น่าสงสารก็ดีเป็นกันแหละ <c oughs> <c oughs> มีอะไรนิจจังไม่มีหรอก มีอะไรคงที with with s, no ่ไม่มีมีอะไรไม่เปลแปรปลวนเลยไม่มีไม่มีสักอย่างเดียวมีแต่ความแปรปลวนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่ในอำนาจบังคับไหมไม่อยู่อย่างร่างกายเนี่ยอยู่ในอำนาจบังคับของเราหมมันก็ไม่อยู่นะร่างกายมันก็ไม่เที่ยงสั่งมันนั่งเนี่ยนั่งนิ่งๆนะอย่าปวดอย่าเมื่อยนะมันก็ไม่ฟังนะเดี๋ยวมันก็ปวดก็เมื่อย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 เนี่ยก็เจ็บไข้สุดท้ายตายไปก็เอาไปเผาทิ้งคืนโลกไปอีกนม่นยืมเข้ามาใช้นะมันไม่ใช่ของเราจริงๆเนาะแต่เราชี้ตัวว่าเนี่ยของเราของเรายืมเข้ามาจนลืมคิดว่าเป็นของเราตัวจริงธัดภาวนาไปเรื่อยๆรู้ร่างกายนี้ยืมเข้ามาะยืมาธาตุมาใช้ยืมโลกมาใช้ะจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็นของธรรมชาติธรรมดายืมธรรมชาติมาใช้ความโลภความโกรธความหลงเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมชาติความสุขความทุกข์เป็นของธรรมดาของธรรมชาติจิตใจก็เป็นธรรมชาติธรรมดาหนึ่งเป็นธรรมดาของจิตใจธรรมชาติของจิตใจก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่รู้อารมณ์เะฉะ้นยืมเพื่อมาใช้ทั้งหมดอ่ะทั้งกายทั้งใจแต่ตรงตัวจิตใจเนี่ยดูยาก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 เปลี่ยนเราจะเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระ ส, สงฆ์นแน่นแฟนเลยเราจะไม่เห็นอีกแล้วว่ามีตัวมีตนกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราดูลงมาแล้วจะก ล, erta, ก ล, MUSIC, ลวงๆไม่มีเราดูไงก็ไม่เห็นเราจนะากลวงๆว่างๆนะเห็นแต่ท่าแต่ขันนะไม่ใช่กลวงๆแบบไม่มีอะไรให้ดูนะไม่ใช่ว่างๆแบบไม่มีอะไรให้ดูดูลงในกายเห็นแต่ท่าแต่ขัน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 งั้นอย่างเราไหว้เทวดาไหว้อะไรต่ออะไรเนี่ย น, นะท่านไม่ได้ห้ามทีเดียวแต่ว่าต้องฉลาดพอว่าเราไหว้คุณธรรมนะไหว้คุณธรรมอย่างคนไหว้เทวดาต้องรู้ว่าเราไหว้คุณธรรมของเทวดาอะไรคือคุณธรรมของเทวดาฮิริโอตตะปะคือคุณธรรมของเทวดาเทวดามีหิรินะมีความเกรงกลัวบา้มีความละอายที่จะทำบาปมีโอตตะปะเกรงกลัวผลของการทาบาป